สวัสดีค่ะ CDMP 3กว่าจากเป็นพระพุทธเจ้าชุดนี้มูลนิธิเผยแผ่พระัทธรรมอภิธรรมทางไปรสณนียได้จัดทำเพื่อเป็นธรรมะที่จะน้อมนำทำให้ท่านเกิดศรัทธาประสาทะ CDMP 3ชุดนี้วัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ความเข้าใจและ ปัญญาอันจะเกิดขึ้นจากการศึกษาในส่วนของความเป็นมากว่าจากเป็นพระพุทธเจ้าให้แผ่ขยายภัยสารออกไปอันเนื่องมาจากมีความเห็นว่าจะเป็นซ d ดี3สที่ควรค่าแก่เราเชาวพุทธทุกคนที่จะได้เก็บไว้ น้อมนำไว้ศึกษาและจะยังศรัทธายังปัญญาทำกุศลธรรมในทุกด้านให้เกิดขึ้นโดยพร้อม CDMP สกว่าจักเป็นพระพุทธเจ้านี้จัดเอาไว้มีอยู่ได้กันสี่แผ่นค่ะในแต่ละแผ่นนั้นก็แยกฝ่ายเอาไว้เพื่อเหมาะสมแก่การฟังคำว่ากว่าจักเป็นพระพุทธเจ้านี้โดยความหมาย ก็จะสื่อให้ทราบว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบรรลุธรรมในระยะทางอันยาวไกลในการบำเพ็ญบา ร, รมีของพระพุทธองค์นั้นเต็มไปด้วยกำลังแห่งการเจริญทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่างเต็มกำลังและการกระทำอย่างเต็มกำลังอย่างนี้ พระพุทธองค์มิได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนมิได้ทำเพื่อความพ้นทุกข์โดยส่วนองค์ของพระองค์เองแต่ทุกอย่างที่กระทำทำเพื่อเหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายเพื่อความปรารถนาที่จะลื้สัตว์ขนสัตว์นำสัตว์ทั้งหลายที่ในดวงตามีทุลีน้อยหมายถึงมีกิเลสน้อย ที่สามารถที่จะเข้าใจก็สามารถที่จะดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาได้ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าบรรยายโดยท่านพระอาจารย์สมทบประกะมูก